ทั้งที่เขาบอกว่าฉันเป็นคนมีสติเนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนเจริญสติเอาลองเอาโพชฌงต์แต่ละข้อมาไล่ดูว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงตควรเจริญเวลาไหนอย่างไรเมื่ อ, อไร่อันนี้ก็เป็นกิจของสตินะวิจยะสัมโพชฌงตควรเจริญเวลาไหนเมื่อไหร่อย่างไรกิจที่เข้าไปจักแจงให้เจริญวิจยะสามโพชฌงตก็เป็นกิจของสติอ่าเวลานี้เนี่ยเป็นต้องสมัยต้องเจริญปีติสามโพชฌงตเพ ร, ราะมันแห้งแลง้งหรือเกินใจเนี่ยนะ ใจแห้งแล้งไม่มีปีติเหมือนอะไรเหมือนตาขาดน้ําอ่ะตาขาดน้ําไปเลยถ้าตาของเราไม่มีน้ําเลยแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นไงโอ้โแกล้งกรอกตาก็ไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แสบตาไปหมดเลยฉันใดถ้าใจมันแห้งแล้งแบบใจไม่มีน้ําตานั้นเป็นไงอ่นะถ้าใจมันแห้งแรงแบบนั้นอ่ะทํายังไงให้ใจมันเอิบอิ่มและใจมีปีติต้องหาอะไรมาให้มีปีติ สตินี้เป็นตัวบอกว่าเออสมัยนี้เป็นเวลาที่จะต้องเจริญปิติแล้วนะสมัยนี้นี่ทําไมมันฟุง้งซ่าเออมันอะไรนะไม่ปัสสัตที่มันกวนกระว歪เหลือเกินเป็นคนเร่าร้อนทางกายเร่าร้อนทางใจกวนกระวายทางกายกวนกระวายทางใจนะเป็นโรคหัวใจหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยทําไงดีเจริญอะไรดีก็เจริญปัสสัตทีสัมโพธิ์ชงทำยังไงให้ใจมันสงบขึ้นให้ใจมันสงบขึ้น ที่สุดของศาสนานี้ยนะถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นจากอะไรความหลุดพ้นด้วยอะไรหลุดพ้นอย่างไรเขาบอกว่าในศาสนานี้ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ที่ใจความหลุดพ้นก็เพราะหลุดพ้นที่ใจเนี่ยนะใจหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันพันการที่เรียกว่ามีสติเนี่ยมีสติเลือกเฟ้นวิเคราะห์วิจัยสภาพของจิตโดยประการต่างๆ เชพระธรรมพระไตรปิฎกทั้งเก้าสิบเอ็ดเล่มในฉบับที่เราศึกษาอยู่วิสุทธิมรรคเนติปกรณ์อัตกถาดีกาเป็นต้นคำพี่เหล่านี้เพื่อรักษาใจเราอย่างเดียวถ้าเราทั้งทำความเข้าใจเอาไว้ให้ดีๆว่าหัตถุประสงค์เป้าหมายต้องการรักษาใจของเราจากอากุศลให้เป็นกุศลแล้วเพิ่มพูนกุศล น, นะ เอาเอาแหล่งเดียวคือแหล่งคือใจของเราเป็นหลักแล้วหาข้อมูลหาคําปีมาประกอบแล้วใจของเราเป็นไปตามคําสอนไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็เอาเอาเอาสนามใจของเรานี่เป็นที่อ่านะเป็นสนามค้าอริยทรัพย์กว่างั้นค่ะถ้าจะสแสวงหาอริยทรัพย์หาที่ไหนก็หาจากใจของเราเนี่ยทํายังไงจะเพิ่มเชิ่อม สติสัมโพชฌงคจะเพิ่มวิรยิยะธรรมวิทยยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์งปีติสัมโพชฌงปัสสัตทิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระคุณธรรมเหล่านี้เราจะร้องเรียกหาที่ไหนที่จากกุศลจิตของเรานี่แหละเราเจริญคู่ควรที่กุศลเหล่านั้นจะเจริญงอกเงยขึ้นไหมเป็นต้นแล้วถามว่าถ้าคนที่มีสติจริงๆเนี่ยสามารถเจริญสติปัฏฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไหม ได้ถ้ามีสติจริงๆสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีสีพระโักษมชงคุณธรรมทั้งปวงก็เจริญได้ทั้งหมดนั้นสตินั้นจึงสำคัญมากสตินั้นชื่อว่าเป็นองค์ที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ลำดับที่หนึ่งถ้ามีสติอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาทั้งหมดสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความจําได้อย่างมั่นคงเรียกว่าชนิดที่เรียกว่าไม่เบลนะไม่เผลอไม่เบลอนะั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้มีสติ เป็นคนที่เรียกว่าไม่เผลอมีความตื่นตัวอยู่เสมอแล้วสติอันนี้แปลว่าสติที่เกิดร่วมกับสัมปชัญญะนะถ้าปัญญาโดดโดดถ้าใช้ปัญญาโดดโดดกับสติโดดโดดถ้าใช้ที่ใดมีแต่คำว่าสติเฉยๆแปลว่าสติอันนั้นเกิดร่วมกับแปลว่าสตินั้นนะบวกสัมปชัญญะสี่ไว้เรียบร้อยแล้วในตัวมันซ่อนตัวอยู่ในนั้นของมันเพราะบางทีเนี่ยถ้าพูดหมดสัทีเดียวแต่เวลาสมมตินะ เชื่อไหมถ้าสมมตินในหนึ่งอย่างแล้วพูดละเอียดทีเดียวพูดหนึ่งอย่างแ ล, ละเอียดหมดไม่มีใครฟังหรอกธรรมะถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าแสดงแบบนี้อยู่แล้วไม่ชอบมีใครฟังเลยเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสอนปับ๊บแล้วอธิบายละเอียดยิบทีเดียวหมดเลยไม่ค่อยมีคนฟังเชื่อไหมถามมาดูจากอะไรดูจากว่าธรรมสังคีนีไม่ค่อยมีคนอ่าน เช่นกามาวจรังจิตตังอุปปนังโหตินะนะสมัยนั้นกามาวจรจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นโสมนัสเป็นอสังขาริเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉนัภัสสะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นแล้วก็ร่ายเจตสิกเครียกว่ากุศลธรรมเกิน50าบเชื่อไหมหน้านั้นสะอาดหมดไม่ได้มีใครอ่านนะผ่านหมดผ่านหมดผ่านหมด ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะละเอียดเลยทีเดียวพันธ์ในแง่ของพระสูตรจึงแสดงแบบซ่อนรูปเอาไว้ในนั้นนะแสดงแบบซ่อนรูปพันธถือว่าพูดคำนี้ปรับรู้กันอย่างอื่นโดยลักษณะหาระเป็นต้นนะก็จะพูดแบบลักษณะรู้กันเพราะถ้าพูดปุ๊บละเอียดหมดปุ๊บละเอียดหมดเนี่ยร่ายยาวเอาง่ายๆให้คนที่พูดอะไรเรื่องเลื่องๆ อ, อ่ะที่มันควรจะเข้าใจง่ายๆแล้วรายละเอียดหมดเลยเนี่ยนะอยากคุยด้วยไหมแบบอะไรนะอารัมพบท์แบบว่าสมมติอย่างอย่างเขาก็มีเรื่องบางที อันนี้เล่าให้ฟังนะไม่ได้ก็ก็เกึงๆตอนนี้นิดๆนี่คือบางคนเนี่ยเขาถามปัญหาธรรมะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้หรอกไม่ใช่ขณะนี้แน่นอนบางคนเนี่ยถามปัญหานะ่ท้าความสักเกือบครึ่งชั่วโมงก็บอกว่าทําไมเท้าความขนาดนั้นอาจารย์จะได้มีข้อมูลของกันจะได้เข้าใจถูกเล่าสักกว่าจะถามยังไม่รู้บางทียังไม่รู้ว่าถามอะไรเลยก็มีเล่าสัตัวเองลืมที่จะถามหมดบอกว่าเพียงแต่อยากให้อาจารย์ไม่มีข้อมูลของกัน ก็บอกคุณร่วบรัฐเธอเดี๋ยวคุณถามตรงๆเถอะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาอยากรู้อะไรเขาอาจะถามเพิ่มเอากันแล้วกันอย่างงี้ยนะอันนี้นี่ไม่ใช่จะไมไม่ใช่เฉพาะในวงการธรรมะนะหมอก็เหมือนกันก็เล่าอุ้ยคนไข้ไปถึงกับเล่ายาวเลยก็ว่าอย่าเล่ายาวเลยว่า <laughs> เหมือนหัว <laughs> เมา น, <laughs> นี่ก็เหมือนกันบางทีเนี่ยต้องอในทางธรรมะสรุปว่าในแง่ของพระสูตรนี่จึงไม่ได้ใช้อะไรที่มันมากความจนรกครุงรังไปหมดไหม อาผู้แต่ความเหมาะสมเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีรสเดียวคือวิมุติรสจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะนี่ก็มาดูว่าที่ใดใช้คําว่าสติที่นั้นจะมีคําว่าสัมปชัญญะอยู่ด้วยแต่ที่ใดมีปัญญาโดโดๆนั้นหมายถึงระดับวิปัสสนาปัญญานะนะระดับอนุปัสนาขึ้นไปโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนี่คือบางทีนั้นการศึกษาธรรมะเราต้องพยายามศึกษาเขาเรียกว่าลําดับ ลำดับก็สําคัญเช่นลําดับของวิสุทธิเจดวิสุทธิแต่ละอย่างก็มีลําดับอย่างไรมีองค์ประกอบอย่างไรมีความเจริญเติบโ ต, ตอย่างไรแล้วถามว่าโพ่อชงแบะอยู่ในธรรมะระดับไหนอ่นะพ่อชงระนี้เป็นอยู่ในธรรมะแล้วแต่ว่าบางแห่งหมายถึงระดับโลกุตระอย่างเดียวบางแห่งเนี่ยระดับโลกียะนี่นะระดับโลกียะคืออย่างอย่างตรงนี้หมายความว่าเมื่อใดที่เราเนี่ย อเจริญกุศลธรรมได้เข้าใจในเรื่องของการเจริญกุศลแล้วตั้งเป้ากุศลเพื่อการตรัสรู้นั่นแหละเริ่มเมื่อนั้นน่ะเริ่มเป็นพ่ชงเริ่มเป็นพ่ชงต่อมเมื่อมีความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีคําว่าเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีเนี่ยคําสอนอยู่เข้าใจในหนังสือรหรือเข้าใจในชีวิตเข้าใจคําสอนในชีวิตจริงเนี่ยนะเพราะไม่ใช่ว่าโอ้อ่านถ้าบางคนเนี่ยอ่านเยอะจริงอ่ะแต่ว่าคําสอนอยู่ในคัมภีร์ถ้าคําสอนอยู่ในคัมภีร์ก็ ก, ก็เหมือนกับว่าอะไรนะอ่านบัญชีทรัพย์สินในกระดาษโดยที่ตัวเองไม่มีเลยไม่แต่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะน่าเศร้าขนาดไหนใช่ไหมนี่ก็เหมือนการแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นไม่ได้ปฏิเสธการอ่านการค้นความไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมของตนการตั้งแบบนี้ภ า, าษาธรรมะว่าการศึกษาเรียกว่านิสรณัฐปริยัตเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อการสลัดออกเนี่ยนะถ้าเพื่อการสลัดออก นี้ในในระดับสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าไม่เกาะเกี่ยวแม้แต่ในกุศลพออ ร, ละระองค์ตรัสในอลาคัทโทปะมะสูตโตงบอกว่าแม้แต่ธรรมะเราก็ยังสอนให้ละจะป่วยกล่าวไปยัยถึงอาธรรมเล่าธรรมะในที่นั้นเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาแม้แต่สมถาวิปัสนาเรายังสอนให้ละเลยไม่ต้องพูดถึงอากุศลทั้งหลายชั้นใดก็ดีเหมือ น, นว่าเราจ ะ, ะจากฝากหนึ่งข้ามจากฝากหนึ่งไปสู่อีก ฟากหนึ่งโดยที่ต้องอาศัยเรืออาศัยแพทีนี้อ่าถ้าพูดแบบทั่วๆไปเราต้องรวบรวมเอาท่อนไม้ท่อนสุงมารวบรวมมาประกอบเป็นเรือเพื่อที่จะว่าข้ามฟากนี่ถามว่าถ้าไปถึงบกถึงบกที่สถานที่ที่มันดีเยี่ยมไปหมดเนี่ยนะเอาเรือไปด้วยไหมไม่เอาก็ทิ้งเรือไปแต่ตอนแรกกว่าจะรวบรวมไม้มาทําเรือละ่ะแล้วเมื่อมีเรือแล้วก็ต้องทายฉันใด การศึกษาธรรมะในตอนตอน้ตนๆก็เปรียบเหมือนการหาเครื่องทัพผสัมพาระมาประกอบกันเป็นเรือศึกษาคนควาหาข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะได้กุศลธรรมที่ว่าเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนามันอาจจะตอนแรกศึกษาเยอะแยะมากมายแต่ว่า เ, าเรือที่เราต้องใช้มันก็มีปริมาณที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ไปกับแต่ไปกับเรือนั่นแหละนะถ้าจะถ้าจะ ข้ามฝั่งไปกับเรือเนี่ยจะต้องทิ้งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมไอความรุงรังอย่างอื่นทิ้งไปใช่ไหมทิ้งแล้วก็ไปกับเรืออย่างเดียวเมื่อไปถึงฝั่งที่เป็นแดนกเกษมที่เป็นเมืองที่สมบูรณ์ด้วยสารพัดทุกอย่างเนี่ยเรายังยินดีในเรือต่อไปไหมก็ทิ้งเรือแล้วก็ขึ้นบกไปเลยนะขึ้นไปในสถานที่ที่กเกษมและปลอดภัยชั้นใดกุศลธรรมที่เรียกว่าโพชงตรงนี้ก็ลักษณะเหมือนว่าตอนนี้ถือว่าคุณรวบรวมทัพผสมภาระสร้างเรือแล้วนะเป็นเรือแล้วตอนนี้พยายาม ไหว้ไปนะพยายามไหวะนะเรียกว่าแจวเรือให้มันดีๆกันแล้วกันเนี่ยนะมันจะได้ไปถึงฝั่งคือโลกุตระธรรมนัม้นขณะที่จ้ำพายหนึ่งครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป้าหมายชัดเจนคือฝั่งฉันใดทีนี้มันต้องจ้ำกี่ครั้งมันจึงจะถึงฝั่งในท่ามกลางกระแสวังวนที่มันวนกระแสน้นํากวนพายุ ก, กวแรง เป็นต้นเนี่ยถามว่จะต้องจํากี่ครั้งจะต้องเพียนขนาดไหนเรือจึงจะไปถึงฝั่งได้ฉันใดสติสามโพชงเนี่ยนะเหมือนกับว่าจําจำพายอยู่นั่นแหละจะต้องมากขนาดไหนจะต้องบ่อยขนาดไหนดูแลประคับประคองขนาดไหนอันสตินี้บางทีจึงเหมือนกับต้นหนเรืองเหมือนต้นหนเรือหรือว่านายเรือที่ชํานาญมากฉลาดมากทิศทางต้องชัดเจนองค์ประกอบความเป็นไปนี้จะต้องชัดเจนสติที่อยู่ในใจของเราจะต้องเป็น อย่างนั้นทีนี้เรามีเป้าหมายตั้งให้สติเขาทางานอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่งตั้งสติอย่างนั้นหรือว่าแต่งตั้งโลภะให้เป็นผู้บริหารราชาการใจอยงนั้นนะถ้าตั้งสติเป็นผู้บริหารใจก็ต้องอทํำยังไงที่จะให้ใจนี้เป็นไปกับกุศลธรรมเสา ะ, ะแสวงหาเพิ่มพูนกุศลธรรมได้อย่างไรถ้าเจริญได้ตามอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะการตรัสรู้ก็ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่น่าเป็นห่วงเพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีศาสดาพระพุทธเจ้าสอนไม่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ดีๆในการศึก ษ, ษาพระธรรมเท่านั้นเองตั้งอัธยาศัยให้ดีให้ถูกต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิทิตั้งจิตไว้ให้ตรงต่อคําสอนตรงต่อชีวิตตรงต่อความเป็นจริงว่ามุ่งจริงๆแล้วมุ่งไปที่ไหนอะไรเป็นต้นเรียกว่าตั้งอัธยาศัยให้ดีๆเนี่ยนะ อยากการเน้นว่าผู้ที่จะเจริญกุศลธรรมโดยเฉพาะเพื่อการตรัสรู้ต้องมีอัธยาศัยหกอยู่ในใจเนี่ยนะอัธยาศัยหกนี่สําคัญมากหนึ่งอัธยาศัยที่เรียกว่าเนคขมัติัธยาศัยอัธยาศัยน้อมไปเพื่อคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้สันโดษอยู่ในคุณธรรมระดับล่างๆนะน้อมเออเรียกว่าเห็นเห็นโทษของการอยู่ในระดับล่างมุ่งเพิ่มคุณธรรมระดับสูงเรียกว่าเนคขมัตคือเพิ่มพูนคุณธรรมอยู่ตลอดเวลา ต่อไปวิเวกัตถยาสัยต้องเป็นคนเห็นโทษคำว่าวิเวกในที่นี้นี่หมายถึงว่าเห็นโทษของการคลุกคลีเพื่ออกุศลนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหมายว่าโอยไม่ต้องฟังคำไปอยู่แต่คนเดียวโ ด, โดดไปเลยก็ไม่ได้อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าอย่าคลุกคลีเกี่ยวข้องกันในเรื่องของบาปและอกุศลทั้งหลายเรียกว่าวิเวกัตถยาศัยสามนิสรณัตถยาสัยมีอัตถยาศัยที่มุ่งออกจากวัตถุทุกโดยส่วนเดียว ทีนี้เมื่อมีอัธยาศัยเนี่ยนะเหล่านั้นแล้วโดยเฉพาะมีอัธยาศัยมุ่งแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้แล้วที่เหลือก็บอกว่าต้องมีอัธยาศัยมุ่งกําจัดโทสะมุ่งกําจัดราคะและมุ่งกําจัดโมหะอัธยาศัยที่มุ่งกําจัดโทสะเรียกว่าอะโทสัจทยาศัยอัธยาศัยที่มุ่งกําจัดโลภะเรียกว่าอโลภัทยาศัยถ้ามีอัธยาศัยมุ่งกําจัดโมหะเรียกว่า อโมหตทยาสัยมีอทยาสัยมุ่งกำจัดทิฐิก็เรียกว่าอโมหตทยาสัยเหมือนกัน